หลายวันก่อนก็ได้พูดถึงสังฆทานว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญสังฆทานว่ามีอนีสสงมากกว่าปาติบุคลิกทานปาติบุคลิกทานก็คือทานที่ถวายเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จะเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือว่าครูบาอาจารย์ไล่ลงมาอันที่สองก็ยังน้อยกว่าการถวายสังฆทานสังฆทานก็คือทานที่ถวายแกสงฆ์คือพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นปุถุชนก็ได้นะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนเพราะว่าส่วนใหญ่เรา ก็อยากจะถวายทานกับพระภิกษุนะที่มีคุณวิเศษยิ่งถ้าเป็นพระอรหันต์ได้ยิ่งดีเพราะเราเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการถวายกับพระภิกษุที่เป็นปุถุชนที่จริงความเข้าใจนี้ก็ก็มีส่วนถูกนะเพราะพู้เจ้าก็จัดว่าการถวายทานแก่ผู้มีศีล นะย่อมได้อ น, นิสง์มากกว่าผู้ไม่มีศีลนะการถวายทานกับพระเรบบุคคลก็ย่อมได้รับอ น, นิสงฆ์มากกว่าหรือย่อมเกิดอ น, นิสงฆ์มากกว่าการถวายแก่ปุถุชนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าเมื่อเราถวายทานกับ ผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลหรือว่าพริะเจ้าทาเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะไม่ได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ในทางเสียหายปนเปื้อกิเลสแต่ว่านําไปเป็นประโยชน์นะกับส่วนรวมต่อไปเช่นอาหารนะถวายกับพระเจ้าท่านก็จะได้กําลังได้เลือดได้เนื้อนะเพื่อจะ ไปบำเพ็ญประโยชน์กับส่วนรวมเช่นเทศนาสั่งสอนผู้คนให้เข้าถึงธรรมถ้าถวายทานกับพระที่เป็นบุตุชนท่านก็อาจจะฉันเสร็จท่านก็ จ, จะนั่งเล่นนอนเล่นหรือว่าไม่ได้ขวนขวายทําประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแค่นี้เราก็จะพบว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการถวายทานกับผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลหรือพระญาจา้านี้ มันเกิดผลงอกเงยมากมายไอ้ผลงอกเงยหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นบุญนะหรือว่าอ น, นิสงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำแล้วเราจะเกิดความมั่งมีความร่ำรวยกับตัวเราคำว่าอนิสงนี้ก็มีความหมายกว้างขวางงนั้นที่การที่เรามีความเข้าใจว่า ถวายทานกับผู้มีศีลหรือภาริยเจ้านี้ได้บุญมากกว่าการถวายทานกับปุถุชนหรือว่าคนไม่มีศีลอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกนะแต่ว่ามันยังขาดอีกแง่หนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้รับรู้มาก่อนก็คือว่าอ น, นิสง์หรือของศีลเนี่ยอ น, นิสงของทานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับผู้ให้ด้วยหมายความว่าถ้าคน ถวายทานนี่มีศนะีลนะบุญที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าคนที่คนถวายทานที่ไม่มีศีล น, นะหรือมีศีล น, น้อยกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ชาว พ, พุทธเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะในคัมภีอัตถกถาเนี่ยพระอัตถกาถาจารย์พระอัตถกาถกาจารย์คือผู้แต่งคมภีอัตถกถาที่อธิบายพระไตรปิฎก มีความสำคัญรองลงมาจากพระเตเปโด ก, นะก็มีตอนหนึ่งท่านตั้งคาถามว่าข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสายเบุตรกับข้อที่สองพระสายเลบุตรถวายทานกับพระพุทธเจ้าทานของผู้ใดมีอนิสงส์มากกว่านะทานของพระพุทธเจ้าหรือว่าทานของพระสายเลบุตรนะ คนส่วนใหญ่ก็หรือแม้ที่นี้อาจจะเดาว่าถ้าตอบว่าทานของพระไติบุตรนะมีอนิสงฆ์มากกว่าเพราะว่าถวายกับพระพุทธเจ้าถวายแก่พระพุทธเจ้าถ้าตอบแบบ น, นี้ก็ผิดนะพระอัคคะรัตาาจารยถึงก็ไขว่าเฉลยว่าเนี่ยทานของพระพุทธเจ้าที่ให้กับพระไตรบุตรเนี่ยมีอนิสงฆ์มากกว่า มากกว่าที่พระไตรบุรถวายทานกับพระพุทธเจ้าหลายคนตอบผิดเพราะเห็นว่าโอ้พระไตรบุรถวายทานกับพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้ามีมีคุณวิเศษมากกว่านะยอมได้บุญมากกว่าที่จะเกิดกับพระพุทธเจ้าซึ่งถวายทานกับพระไารบุรนะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะ ทานของพระเจ้านี้นะมีอนิสงส์มากกว่าก็เพราะว่าพระเจ้าท่านมีคุณพิเศษมากกับภาษาลิบุตรนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนิสงส์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้รับด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้รับเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ถวายด้วยหรือผู้ให้นะถ้าผู้ให้ผู้ถวายนี่มีศีลอนิสงส์งก็จะมากกว่า ผู้ให้ที่ไม่มีสีหรือมีสีน้อยกว่าหรือมีคุณวิเศษน้อยกว่าอันนี้ก็หมายความว่าโจร น, นะหรือว่าคนที่คดโกงคอร์รัปชันเนี่ยถวายทานกับพระอรหันต์อาจจะได้บุญน้อยกว่าปุถุชนหรือว่าคนมีสีนะที่ให้ทานกับคนยากคนจนนะ อันนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะคนที่คดโกงคอร์รัปชันเนี่ยนะไปถวายทานกับพระอาหารหันเนี่ยบุญที่ได้นี่อาจจะน้อยกว่าคนที่มีศีลห้าคนที่มีศีล น, นะแล้วก็ให้ทานกับคนยากคนจนหรือให้ทานกับผู้ร้ายด้วยซ้ำนะในใครที่อ่านเรื่องของ พระเวสันดรนก็จะทราบว่าตอนที่พระเวสันดอ น, นี้ถวายทานให้ทานนะให้ลูกให้เมีย น, นี่กับชากับชูชกนี่ปพราะว่านี่แผ่นดินสะเทือนเลยนะสะเทือนเลือนลั่นเลยเพราะว่าเป็นการให้ทานที่มีอ น, นิสงฆ์มากถ้าน้องที่ชูชกนี่ก็ไม่ได้เป็นคนมีศีลมีธรรมเท่าไหร่แต่ว่าทานที่เกิดขึ้นนั้นมีอ น, นิสงฆ์มากนะจากการที่เกิดจาก พระเวสสันดรซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรับรู้นะแล้วก็ทำความเข้าใจถูกต้องเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยอยากจะได้บุญเยอะๆก็ไปตามหาถึงกับไล่ล่านะพระอรหันต์ท้า ต, ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ มีศีลมีธรรมมากนะแต่คิดว่าถ้าไปถวายทานกับพระอาหารหันต์แล้วตัวเองก็จะได้บุญเยอะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้มีศีลมีธรรมนะแต่ถ้าเข้าใจอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากจะได้บุญนะจากทานเนี่ยเราต้องทำความดีเราต้องมีศีลด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยตัวปล่อยใจนะไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่า ไปตามล่าหายหาพระอาหารหันต์นั้นทำแล้วก็จะได้บุญแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะปรับปรุงตัวเองพระธเจา้านี่ท่านเน้นตรงนี้มากนะว่าถ้าเราอยากจะได้บุญนี่เราต้องการไปถวายทานกับผู้มีศีลหรือพระเิจจาไม่เพียงพอนะเราต้องปรับปรุงตัวเราเองให้มีศีลด้วยนะอันนี้ถ้าใครถ้าใครรู้เช่นนี้เนี่ยนะก็ก็ควรจะนะ ตระหนักว่าอการไล่ล่าหาพระอาหารหันต์เนี่ยมันสําคัญน้อยกว่าการที่ตัวเองเนี่ยจะปรับปรุงพัฒนาตนให้มีศีล น, นะให้มีศีลมีธรรมนะและการที่เรามีศีลมีธรรมนั่นแหละก็จะทําให้ทานที่เราได้บาเพ็ญ น, นั้นเนี่ยมันมีอ น, นิสงค์ขึ้นมาเองนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่คนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สนใจที่จะ รักษาศีลให้ดีนะคอยแต่จะไปตามว่าที่ไหนมีพระอรหันต์นะก็ไปทําบุญกับท่านซึ่งบางทีก็หลุกถูกหลอกให้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายๆนะเพราะว่ามีการแต่งตั้งพระรูนน้ารูนนี้เป็นพระอรหันต์อย่างเนงรคามเนี่ยเคยถูกแต่งตั้งมาแล้วเป็นพระอรหันต์คนก็แห่ไปทําบุญเส็จสุดท้ายก็พ่อตัวเองถูกหลอกนะบุญก็ไม่ได้นะเงินก็เสียไปแล้ก็เตรียมรับพร